มันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากที่1วันหรือการหมุนรอบตัวเองของดวอังคารเนี่ยมัน24ชั่วโมงกับอีก39นาทีเท่านั้น oh. ซึ่งมันใกล้เคียงกับโลกมากอีลอนมัสบอกว่าเอาอย่างนี้อยากทําให้ดวอังคารอุ่นขึ้นเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปทิ้งใส่ขั้วดวอังคารเลยให้น้ําแข็งแหงพวกนี้ซึ่งเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของแข็งมันละลายออกมาแล้วก็กลายเป็นชั้นบรรยากาศมันก็จะทําให้ดวอังคารอบอุ่นขึ้นยั oh. ไงไงครวิธีนี้ชอบไหมมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ Mm hmm. มนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องสำรวจหาทรัพยากรดินแดนใหม่ๆอยู่แล้ว mm hmm. นะครับไม่ไปวันนี้ก็ไปวันหน้าไม่ไปดังคารอย่างน้อยก็ต้องไปดวงจันทร์ที่สำคัญก็มันก็เป็นเงินของอีลอนมัสส์ครับ <laughs> you're listening to the standard podcast the eye-opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์ p o แ c a s t วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนิดที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว จินตนาการนะคะถึงอนานคตใหม่บนดาวอังคารมีโดมใช้ชีวิตอยู่มียานไปกลับได้ดูเหมือนเป็นภาพฝันแต่ว่าจริงๆสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นวิสัยทัศน์ของคุณอีลอนมัสก์เขาด้วยค่ะแต่ว่าใดๆในโลกลนฟิสิกส์วันนี้เราลองมาคุยกันดี ก, กว่าว่าดาวอังคารเนี่ยจะเป็นบ้านหลังที่สองของมนุษย์ได้จริงหรือเปล่านะคะก็อยู่กับฟางรัตเทโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอาจวรวงจันทมาศครับถ้าเราจะพาทุกคนไปดาวอังคารก่อนคะ่ะถ้าเราอยากจะรู้จักดาวอังคารเนี่ย มีอะไรที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเจ้าดาวอังคารบ้างคะพี่ฟงแปมโอเคก่อนอื่นต้องถามน้องฟางก่อนน้องฟางเคยดูดาวบนท้องฟ้าแล้วเห็นดาวอังคารไหมเอาจริงๆไม่รู้ว่าไหนคือดาวอังคารวิธีดูดาวอังคารเนี่ยจริงๆง่ายมากเลยคือดาวอังคารเนี่ยสีมันจะแดงๆครับอ ม, มองด้วยตาเปล่าก็แดงๆแล้วอ๋อมันจะต่างจากดาวอื่นๆเลยใช่ดาวอื่นๆบางทีก็อาจจะขาวๆบางทีก็อาจจะ น้ำเงินน้ำเงินหรือเ <ม S 1> หลืองๆหรืออะไรก็ตามแต่ดา <ม S 1> อังคารจะมีสีโดดเด่นคือมันเป็นสีแดง <ม S 1> และถ้าเรามองผ่านกล้องโทรทัศน์ก็จะเห็นชัดเจนว่าตัวดาวส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นสีแดงแดงซึ่งสีแดงแดงที่บนพื้นผิวดังคารเนี่ยมันมาจากธรรมชาติของเหล็กออกไซด์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพวกสนิมอะไรพวกนี้ <ม S 1> นะฮะสนิมเหล็กมันก็จะแดงแงแบบนั้นค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวก อุณหภูมิพื้นผิวของมันยังไงบ้างรธรรมชาติทั่วไปของดาวอังคารเอางี้ก่อนสมมุติว่าวันหนึ่งถ้าเราต้องไปอยู่บนดาวอังคารนะครับจากที่เห็นเป็นแดงๆอยู่เนี่ยนะวันหนึ่งถ้าเราต้องไปอยู่บนนั้นเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงอก่อนอื่นต้องบอกว่าดาวอังคารมีโอกาสสูงมากที่มนุษย์จะไปโค l o n i z e หรือตั้งอนาณนานิคมอยู่อมเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์อื่นๆถามว่าทําไมไม่ไปดาวดาวอื่นพุทธนี่ร้อนมากด้านที่ติดดวงอาทิตย์ด้านที่หันออกเนี่ยเย็นจัดอื ต่างกันเกินเวอร์มากอุณหภูมิไม่ไหวยสุกเล่าไปแล้วนะครับอุณหภูมิสูงมากแล้วก็โอ้โหฝนตกมาเป็นฝนกรด อ, อยู่ไม่ไหวโลกอยู่อยู่แล้วดาวอังคารมีโอกาสสูงมากที่มนุษย์จะไปอยู่อถามว่าทําไม เ, าเรามาดูกันอย่างแรกคือดาวอังคารกับโลกอันไหนใหญ่กว่ากันคําตอบคือโลกใหญ่กว่านะครับรัศมีของดาวอังคารเนี่ยเล็กกว่าโลกประมาณครึ่งหนึ่งดังนั้นพื้นที่ผิวของมันก็ ดูจะน้อยกว่าโลกแต่มันมีเรื่องประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือแม้ว่าพื้นที่ผิวของโลกจะเยอะกว่างังคารมากแต่พื้นที่ผิวที่มนุษย์อยู่ซึ่งมันต้องเป็นแลนด์หรือเป็นบกเนี่ยมันกลับพอๆกับพื้นที่ผิวดาังคารเลยอ๋อเพราะว่าโลกเราเป็นเป็นน้ำซะเยอะใช่ดังนั้นพื้นที่ผิวบนโลกเนี่ยกับพื้นที่ผิวทั้งหมดของดังคารพอๆกันประหลาดไหมความบังเอิญตรงนี้นะครับแต่ดอังคารเนี่ยมีปัญหาสําคัญก็คือความดันอากาศที่นั่นเนี่ย ต่ำมากมความนั้นอากาศต่ำมากแล้วก็ถ้าเราไปยืนอยู่บนผิวดาอังคารประมาณ 96% ของแอร์ที่นั่นหรืออากาศที่นั่นเนี่ยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะเท่ากับว่าถ้าเราหายใจปืดเข้าไปนะครับแป๊บเดียวคิดเลยนะครับ ค, คือมันเป็นแก๊สมีความเป็นพิษสูงมากมนะดังนั้นหลายๆคนก็เลยมองว่าถ้าเราต้องไปอยู่บนดาอังคารจริงๆเราคงต้องใส่ชุดอวกาศแบบนี้ ก็พึ่ง่สามารถ<ป>เดินหายใจเหมือนอยู่บนโลกทั่วไปได้ใช่หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องทํา เ, เป็นโดมปรับความดันเลยแล้วก็ไปอยู่ในนั้นอยูเหมือนปลาทองอะ่ะนะแบบนั้นก็อยู่ได้เหมือนกันคุณลักษณะอีกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับดา่างคารก็คือบนพื้นผิวดา่างคารเนียมีความเร่งจากความโน้มถ่วงเนี่ยเป็นแค่ 40% ของโลกหมายถึงยังไงคะหมายความว่าสมมติตอนนี้ผมอ้วนมากเลยหนักร้อยกิโลกรัมนะฮะ ไปช่างบดาวอังคารเนี่ยเหลือแค่ 40% นึงก็คือหนัก<อ>แค่40่สโลเองอก็คือเบาลงเบาลงเยอะ<อ>มากซึ่งฟังดูแล้วอาจจะดีนะฮะฟังดูเหมือนแบบโอ้ยฉันเบาลงแต่จริงจริงคื อ, อมันทําให้เป็นปัญหาระยะยาวได้ในการใช้ชีวิตเพราะว่าแรงโน้มถ่วงที่น้อยเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของมวลกระดูกต่อกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะทั่วไปของดาวอังคารเนาะแต่ทีนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างก็คือว่าน้องฟางว่าดาวอังคารกับโลกอันไหนเย็นกว่ากัน ฟังเดาว่าโลกไหมถ้าเราดูลำดับจากดวงอาทิตย์นะฮะก็จะเดาอุณหภูมิได้ว่าว่าเราร้อนกว่าใช่ไหมว่าจริงๆเราโลกเนี่ยอุ่นกว่าเพราะว่าโลกของเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าก็จะรับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ15บห้าองศาเซลเซียสนะครับเมืองไทยเราก็ออกจะเกินค่าเฉลี่ยไปเยอะอยู่นะส่วนดาวอังคารเนี่ยอยู่ที่ประมาณติดลบ5060องศาเซลเซียสดาวอังคารเป็นดาวที่หนาวเย็นมาก น้องฟังว่าน่าอยู่ไหมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีตัวช่วยมันก็อาจจะน่าอยู่ก็ได้นะคะคือเอ า, เอาดิ<ช>คือเย็นมันก็ดีกว่าร้อนนึกออกไหมคือถ้าถ้าแบบร้อนอย่างเดียวโอ้โห ม, มันลําบากอะครับเย็นเนี่ยมันก็ยังพอหาอะไรเป็นแหล่งพลังงานอะไรมันก็เลยมีแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับการทําให้ดาวคันอุ่นขึ้นอ่ายกตัวอย่างเช่นผมจําชื่อไม่ได้เป็นวิศวกรนี่แหละบางท่านเขาเสนอว่าถ้าเราอยากปรับสภาพดาวคันให้อุ่นขึ้นนะฮะเราก็ขน แก๊สแอมโมเนียมหาศารที่อยู่แถวดาวพฤหัสอย่างเงี้ยไปตักมาใส่ดาวองคารเยอะๆ oh. พอตักมาใส่ปุ๊บนะดาวอังคาญเนี่ยก็จะมีชั้นบรรยากาศที่หนาขึ้นก็จะอุ่นขึ้นแถมแอมโมเนียมเนี่ยมีในไนโตรเจนอยู่ไนโตรเจนก็จะออกมาในบรรยากาศทําให้อากาศของดาวองคารมีไนโตรเจนเยอะขึ้น oh. ใกล้เคียงกับอากาศ oh. บนโลกมากขึ้นความเป็นพิตก็ลดลง oh. ไอเดียเจ๋งไหม oh. ฟังดูมันง่ายจังเลยนะคะแต่เขาไม่ได้บอกว่าทํำยังไง คือบางทีมันต้องมีไอเดียก่อนแต่ทํายังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เทคโนโลยีเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นหรอกแต่เขาบอกว่าเป็นไปได้ที่จะตักเอาพวกนี้มาใส่คุณคาร์ลสแคนเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลกเคยบอกว่าเฮ้ยดังคารเน่น่าอยู่มากเราทําให้มันอุ่นขึ้นได้ด้วยการทามันให้ดําเลยคือปกติสีดำๆสีเข้มๆเนี่ยมันก็จะดูดความร้อนได้ดีคุณคาร์ลแกนก็บอกว่าเนี่ยทาให้ดําเลยคนถามว่าแล้วทายังไง เขาเซกัน บ, บอกไประเบิดดวงจันทร์ที่มันโครจร อ, อยู่รอบดวงดาวคือดวงจันทจะมีดวงจันทรของดาวอังคารมีสองดวงชื่อโฟล์บอสกับไกด์มอสก็ไประเบิดดวงที่มันมีผิวผงเข้มเข้มเนี่ยมาฉลวมท้าให้ทั่วเลยเดี๋ยวมันก็อุ่นขึ้นแล้วนะดูดความร้อนไปเรื่อยๆอยังไงวิธีนี้ฮะซื้อไหมซื้อไหมฟังดูรูกรานคนอื่นยังไงก็ไม่รู้เนละไปทําลายสภาพแวดลอออ้นะอมเขาเนาะแต่ทําเป็นเล่นนะครับมีอีกไอเดียหนึ่งเขาบอกว่า เราก็เอาแมงสาบไปปล่อยสิแล้วแมงสาบเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตายยากนะผิวของมันก็มีสีดําแล้วก็หายใจออกมาเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยก็จะทําให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมากขึ้นมันก็จะอุ่นขึ้นได้อันนี้พูดจริงใช่ไหมคะเป็นการ์ตูนครับช <c oughs> ื่อเทอร์าฟอร์มา<อ>ไม่รู้เคยได้หรือรเปล่าคือวิธีเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ในการ์ตูนเรื่องเนี้ยเอ า, มาแมงสาบไปปล่อยปล่อยซะจนกระทั่งกว่ามันจะอุ่นเท่าโลกอะแมงสาบมันกลายเป็นคนไปแล้วอะในเรื่อง วิวัฒนาการแต่คือ<ต>ยืนสองขาไปแล้ว<อ>แล้วก็ต้องมาสู้กันเป็นการ์ตูนแอคชั่นนะครับแต่นั่นแหละเป็นไอเดียบางทีก็มีอีกไอเดียหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยอยากทําให้อุ่นขึ้นเนี่ยใช้นี่ดีกว่ากระจกใหญ่ๆเลยเอาไปโครจรให้เป็นดาวเทียมแล้วก็คอยสะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังบริเวณ<ม>ที่ต้องการซึ่งก็มีการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งชื่อ Mars Chronicle มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์บนดาวอังคาร ก็จะมีการตกลงการใช้วงโครจรกระจกเนี่ยมาทําให้เขตปกคร อ, องของตัวเองอุ่นขึ้น<อ>มีสภาคอยตก<อ>แบ่งเขตการใช้กระจกอลไรพวกนี้ยเป็นตุเป็นตามากอลองไปหาอ่านดูนะครับอีไอเดีย e นึงเสนอโดยคุณอีลอนมัสซึ่งโอ้โหไอเดียเนี่ยผมว่าสุดยอดแห่งความลุกลานซึ่งน้องฟังจะชอบหรือไม่เรามาดูกันนะครับก็อ่ะมาดูรูปดาวังคารก่อนค่ะเนี่ยเป็นภาพดาวังคารที่ถ้าใครไม่เห็นภาพผมจะที่บันให้ฟังก็คือ น้องฟางเห็นเป็นสีอะไรแดงๆส้มส m, ทั้งดวงเลยน ะ, ะแต่ต้องต้องบริเวณขวั้วขั้วเหนือกับขั้วใต้เป็นสีอะไรมันออกขาวขาวฟ้าฟ้าอ่าขาวขาวที่ไปโปะอยู่แถวแถวขั้วเหนือกับขั้วใต้เนี่ยคือเขาเรียกว่าโพลาร์ไอซ์แคปก็คือส่วนที่เป็นน้ําแข็งกับน้ําแข็งแห้งเนี่ยมันพลุกๆผสมกันอยู่นะอีลอนมัสบอกว่าเอาอย่างนี้อยากทําให้ดวงคารอุ่นขึ้นเอระเบิดนิวเคลียร์ไปทิ้งใส่ขั้วดวงคารเลยให้ Uh น้ำแข็งแห้งพวกนี้ซึ่งเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของแข็งมันละลายออกมาแล้วก็กลายเป็นชั้นบรรยากาศมันก็จะทำให้ดาวอังคารอบอุ่นขึ้นเป็นไงฮะวิธีนี้ชอบไหม <c oughs> แต่มีคำถามว่ามนุษย์เราเนี่ยจะไปทำอะไรกับดาวอังคารก็ได้เลยอก็ในจินตนาการเ่ทำอะไร <WhatsApp. S 1> ก็ได้ใช่ <c oughs> เขาให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งผมจารายการไม่ได้พิธีกรถามว่าผมสงสัยมาตลอดว่าคุณเป็นฮีโร่หรือเป็น วายร้ายเพราะอีลอนมาสหวานแบบนี้ผมไม่สงสัยแล้วคุณนี่มันวายร้ายแน่ๆคือใช้วิธีแบบนี้มันวายร้ายแน่มากๆเลยนะครับนั่นก็เป็นวิธีการปรับสภาพดาวองคารนให้มันอยู่ได้มากขึ้นเนาะสาขาวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นมันอาจจะเรียกว่าการทำา Planet e n g i n e e r ยรหรือวิศวกรรมดาวเคราะห์อันนี้ก็มีหลากหลายวิธีในการทให้ลองคานน่าจะอยู่ได้มากขึ้นนะใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูนะครับแต่ว่า ลักษณะอันโดดเด่นอีกอย่างของดาวอังคารที่เด่นมากๆฮ ะ, ะดูรูปนี้ครับภาพนี้เป็นภาพอะไรครับน้องฟางลองดูรูปนี้ อ, อไม่ค่อยแน่ใจก็รู้สึกเหมือนเป็นพื้นผิวของ ม, มันใช่ัหยคะพื้นผิวของดาวอังคารใช่ไหมใช่แต่ที่อยู่ในรูปนี้จริงๆนะแล้วเป็นปรากฏเด่นชัดที่สุดเนี้ยนี่ก็คือภูเขาไฟที่มีชื่อว่าโอลิมปัสมอนเป็นภูเขาไฟที่สูงมากสูง20กว่ากิโลเมตรอะ มันเป็นภาพมุมสูงมองจากไกลๆภาพมุมสูงเป็นภูเขาไฟรูปโล่ในขณะที่โลกของเราเนี่ยยอดเขาเอเวอเรสต์สูงแค่ประมาณ8กิโลกว่ากว่าเท่านั้นเองหลายเท่าหลายเท่าถ้ามนุษย์ไปอยู่บนนังคารจริงนี่น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าไปนะครับผมก็อยากจะไปซื้อที่ไว้ตรงนั้นเหมือนกันถ้าถ้ายังไงอาจจะเปิดร้านขายอะไรเล็กๆเท่านั้นได้โอลิมปัสมอนแต่สมมุติว่าถ้าเราไปอยู่บนังคารจริงๆ สิ่งที่มันซีเรียสมากๆไม่ใช่เรื่องของแรงโน้มถ่วงหรืออะไรอย่างไรแต่มันเป็นเรื่องของว่า1วันบนดาวอังคารมันนานเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากที่1วันหรือการหมุนรอบตัวเองของดาวอังคารเนี่ยมัน24ชั่วโมงกับอีก39นาทีเท่านั้นซึ่งมันใกล้เคียงกับโลกมากเท่ากับว่านาฬิกาชีวิตของมนุษย์ถ้าไปอยู่บนวอังคารใน1วันมันแทบใกล้เคียงกับ1วันบนโลกมันไม่ต้องปรับเยอะนึกออกไหมฮะคือถ้าเกิดว่า ดืออังคารกลางวันมันยาวมากเลยอ่ะเจ็ดปีสมมติโหมันอยู่ไม่ได้อ่ะดวงอาทิตย์ไม่ตกเลยอันนี้คือ1วันมันใกล้เคียงบนโลกมากมันก็โอเคแต่มันอาจจะไม่โอเคนักในแง่ที่ว่า1ปีของดืออังคารเนี่ยมันประมาณ 1.88 ปีของโลกก็คือเกือบ2ปีโลกนั่นแหละ1ปีก็นานหน่อยตัวใช่แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันเหมาะมากก็คือแกนเอียงของดืออังคารเนี่ยมันประมาณ25องศาหมือถึงแกนบุนของดืออังคารมันเอียงนิดหน่อย ซึ่งใกล้เคียงกับแกนหมุนของโลกที่มันเอียงถาว่ามันดียังไงคําตอบก็คือมันทําให้ดาวอังคารมีฤดูกาลเช่นเดียวกับบนโลกไง<อ>ก็คือดูไม่ต้องปรับตัวเยอะดูมีความแบบใกล้เคียงกับที่เราใช้ชีวิตอยู่ใช่ในแง่งของถ้าเราสร้างโดมครอบได้นะฮะปรับอุณหภูมิปรับความดันอากาศปรับอากาศแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็จะเหลือแค่เรื่องของแรงโน้มถ่วงะน ะ, ะแล้วก็เรื่องหนึ่งปีที่มันยาวนานมากเท่านั้นเองเนี่แหละคือ โอกาสที่มนุษย์จะไปอยู่บนดาวอังคารได้ครับแล้วทุกวันนี้มันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อยู่ไหมคะเกี่ยวกับดาวอังคารโอเยอะมากมแล้วก็ต้องบอกนี้ก่อนว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มียานอว ก, กาศไปสำรวจเยอะมากอเรียกว่าเป็นดาวที่มียานอวกาศไปสำรวจเยอะที่สุดในระบบสุริยะก็ได้นะอปปเยอะมา ก, มามากป๊อปปูล่ามากคือโอ้โหหึ่เลยอ่ะเต็มไปหมดเลยบนดาวอังคารนะครับแต่ ถ้าใครติดตามข่าวเกี่ยวกับการสํารวจดาวอังคารจะพบเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งคือช่วงไหนที่เขาชอบส่งยานไปดาวอังคารก็จะมีแต่ช่วงนั้นอ่าปีไหนเขาส่งก็จะส่งในปีนั้นแล้วปีต่อมาก็จะไม่ค่อยส่งแล้วจะกลับมาส่งอีกในปีอะไรอย่างเงี้ยทําไมคะเพราะว่าในการส่งยานไปดาวอังคารเขาจะต้องส่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดมันจะมีวินโดในการส่งเขาเรียกว่าช่วงวินโดที่ส่งในช่วงนั้นแล้วเนี่ยมันประหยัดเชื้อเพลิงที่สุด Mm hmm. วินโด้เนี้ยมันจะเกิดขึ้นทุกๆ26เดือนอ mm ืม hmm. วินโด้หมายถึงหน้าต่างแห่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งยาน mm hmm. อวกาศ mm hmm. และมันจะทําให้การโคจรต่างๆเนี้ยมันประหยัดเชื้อเพลิงมาก mm hmm. นะครับ mm hmm. สำหรับยานอังคารเนี้ยวินโด้ในการส่งจะเปิดขึ้น mm hmm. ทุกๆ26เดือน26เดือนก็2อปีนิดๆอะไรเงี้ย mm hmm. และยานเดินทางไปยานอังคารน้องฟังว่าใช้เวลานา น, านแค่ไหน แต่จากที่เราฟังเหมือนมันใกล้โลกใช่ไหมคะเหมือนมันอยู่ลําดับถัดไปจาก<ช>โลกไม่ไกลมากโอไม่แน่ใจเลยอ่ะมันก็คงจะหลายวันไหมคะอ่าประมาณ8เดือนเกบเกือบอเกือบอเอบปีเหมือนกันนะมสมัยใหม่เนี่ยเกบเกือบปีฮะถือว่าไม่ได้นานจนเกินไปนะแต่ถ้ามนุษย์จะไปก็มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเบาบางแล้วก็ต้องมีอาหารมีสัมภาัสอะไรเยอะแยะมากมาย ก็อาจจะต้องอยู่บนยานอวกาศยาวนานก่อนนั้นอยู่ในหลักปีอยู่ในหลักปีแน่ๆนะครับซึ่งการจะดำรงอยู่ในยานอวกาศในหลักปีเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายตอนนี้เขาก็คิดหาวิธีกันอยู่นะครับก็คือนอกจากความท้าทายของการไปอยู่บนนั้นแล้วปรับตัวยังไงหรือว่ามี อ, มอะไรที่เป็นตัวช่วยการเดินทางไปและการเดินทางกลับอีกเนาะคือยานอวกาศอพอลโลเนี่ยไปยังดวงจันทร์เนี่ยนะ ใช้เวลาอยู่ในหลักสัปดาห์นะไปกลับก็อาจจะสักสงสัปดาห์หรือมากกว่า น, นั้นหน่อยอแต่ดวงคารเนี่ยไปทีหนึ่งเป็นปีเกินปีแน่นอนอกลับมาอีกเป็นปีอยู่บนยานเป็นปีครับน้องฟาง อ, อย่างนี้มันนับว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานกว่าที่เรามนุษย์เราเคยทำเลยคะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันมันก็ยาวนานมากสำหรับอวกาศแต่มสมัยก่อนที่มนุษย์ล่องเรือเนี่ย เอ่อในการล่องเรือของอย่างคุณชาลส์ดาวินเนี่ยตอนล่องเรือบีเกิลรอบโลกเนี่ยใช้เวลาหปีนะกว่าจะครบหนึ่งรอบแต่อันนั้นมันโลกบนโลกไงแล้วก็มีการจอดแวะชายฝั่งไปกะลาปะกอสอะไรของเขาใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือมันแวะไม่ได้อืมเอ่อถึงขั้นมีการประมาณการแล้วก็คิดคํานวณไว้นะครับว่าในการเดินทางไปในอวกาศหรือเดินทางไปในดาวองคารเนี่ยครับน้องฟังบางทีคนที่เดินทางอาจจะประสบปัญหาสุขภาพจิตได้เขาเรียกว่าคุกอวกาศ คือหมายเขาว่าการอยู่ในสภาวะปิดมากๆอยู่ในร ะ, ระยะเวลานานมากๆอ เ, อาเอาง่ายๆตอนโควิดแล้วต้องกักตัวอยู่บ้านอ่ะอมผมเครียดเหมือนกันนะจากเดิมที่ได้ออกไปโน่นมานี่บางทีแบบโอ้แทบไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะอแต่อย่างน้อยที่สุดผมเดินออกมาหน้าหน้าบ้านตัวเองก็ยังเห็นท้องฟ้าเห็นต้นไม้ใบหญะา อ, อันนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะเป็นแต่ยานเป็นแต่โครงเหล็กอ่ะมันเป็นอะไรที่ ใครอยากไปไปก่อนเลยเ <laughs> ชิญค่ะครับผมเออแต่ว่าพอฟังมาถึงตอนเนี้ยฟังก็เริ่มคิดนะว่าการบอกว่าเราจะไปมนุษย์จะไปตั้งอนานิคมใหม่มันดูเป็นเรื่องที่แบบมันดูใหญ่มากเนาะใหญ่มาคุณคุณบิลเกตเขาเคยพูดแบบนี้ค่ะพี่ป๋องแปงว่าที่อีลอนมัสก์กลังจะทำเนี่ยช่างเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเสดาตังอะแบบสิ้นเปลืองเพราะว่าแทนที่จะเอาตังค์ไปทําอย่างอื่นบนโลกหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นบนโลกอะไรอย่างนี้พี่ป๋องแปงมองว่า การตั้งอนานิโคบนดาวองคในมุมมองของพี่ป๋องแปงคิดว่ายังไงคผมกลับมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะว่ามนุษย์เราเนี่ย เ, เป็นเผ่าพันธุ์ที่แสวงหาความรู้ใหม่ๆแสวงหาดินแดนใหม่ๆแล้วก็สำรวจสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็การสำรวจดาวเคราะห์และดาวต่างๆเนี่ย มันไม่เกิดขึ้นในยุคนี้ยังไงมนุษย์ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปคุณเอรอนมสัสเขาให้เหตุผลอย่างหนึ่งนะฮะว่าในการสำรวจดังคารเนเขาตั้งใจจะทําเพราะว่าในอนาคตถ้าเกิดหายนะขึ้นบนโลกเนี่ยมนุษย์จะได้ไม่ศูญพันธุ์ตรงนี้ยอมรับ ว, ว่าอาจจะมองการไกลไปนิดนึงแต่ผมมองว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์อะมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องสำรวจหาทรัพยากรดินแดนใหม่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ไปวันนี้ก็ไปวันหน้าไม่ไปดวงคารอย่างน้อยก็ต้องไปดวงจันทร์ไปสร้างเกตเวย์ที่นั่นนไปพวกกี้็ ที่สําคัญก็มันก็เป็นเงินของอีลอนมัสส์ครับ <c oughs> <c oughs> นึกออกไหมก็ <c oughs> แต่ผมสนับสนุนนะก็น่าสนใจดีถ้าวันนึงมนุษย์จะไปเอาละก็เรื่องเกี่ยวกับดังคารเนี่ยผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกสักสอจุดที่น่าสนใจค่ะ <c oughs> อย่างแรกก็คือว่าดังคารเนี่ยมันผูกพันกับความเชื่อของมนุษย์เรามานานในระดับนึงเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับนักดาราศาสตร์บางท่านเนี่ยเขาส่องกล้องไปยังดังคารแล้วเขาเห็นคลอง คือเขาเห like uh ็น huh ขั s. <S ้วดาวังคารเป็นน้ําแข็งเปนอะไรพวกเนี้เนาะแล้วเขาเห็นบริเวณระหว่างขั้วกับเส้นศูนย์สูตรดาังคารมันเป็นเส้นคลองสุรัตธานขนส่งน้ํามานะเขาก็เลยเชื่อว่ามีมนุษย์ดาวังคารอยู่ที่นั่นนั่นยุคโบราณแต่ไอ้คลองเหล่านั้นเยมันไม่มีจริงมันเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากกล้องที่มันไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับ เดีว่าในตอนนั้นเนี่ยดาวอังคารดังมากแล้วมันมาเป็นเลาะเป็นหลาย10ปีเป็นเกือบร้อปีแล้วก็มีการแต่งนิยายอะไรต่างๆเกี่ยวกับมนุษย์ดาวอังคารไม่ว่าจะเป็น the w a r of the world เคยได้ยินไหมไม่เคยเอามันมีเวอร์ชั่นหนังด้วยนะลองอลองลอ ง, ลองหาดูะนะครับแล้วก็อะไรพวกเนี้ย ด, ดังนั้นดาวอังคารอยู่ในใจมนุษย์มาโดยตลอดเพียงแต่ว่าการจะไปสำรวจดาวอังคารเนี่ยยากมากโอกาสจะลงจอดบนดาวอังคารเนี่ยยากสุดๆคือตอนเนี้ยพวกยานที่ไปสำรวจที่นาซาทำแล้วสำเร็จง่ายๆดูเหมือนง่ายนะ จริงๆมันยากมาก อ, มอย่างองค์การอาวกาศยุโรปเนี่ยเขาส่งยานาชื่อ Sciar p a r e l l i EDM Blender เอาไปลงที่ดาวอังคารเนี่ย<ะ>ก็ไม่สำเร็จคือระบบการลงจอดเนี่ยมันยากมากคือไอ้ตัวนี้มันผิดนิดเดียวด้วยนะตรงที่แทนที่มันจะตัวที่มันฉีดให้มันลดความเร็วเนี่ยแทนที่จะฉีดไอพ่นนาน3ามสิบวิดันไปเออตรงไหนไม่รู้มันไปฉีดแค่สา อ, อ, อย่างเี้ย ความเร็วก็เลยลดลงไม่พร้อมก็โหม่งดังคารพังไปแล้วก็มีขีดจากัดในการศึกษาดังคารอีกเยอะเช่นว่าดังคารนะครับท่านฟัง ม, มันมันมีภูมิประเทศที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนการจะเอารถหุ่นยนต์ไปวิ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเพราะมันไม่มีถนนนะครับนาซาล่าสุดก็มีการส่งหุ่นยนต์เฮลิคอปเตอร์ไปแต่เฮลิคอปเตอร์ก็ขึ้นยากมากเพราะอากาศมันเบาบางดังนั้นรอบการหมุนจะต้องเร็วสุดและสุดท้ายแล้ว ความน่าสนใจอีกอย่างของอังคารก็คือเดิมทีนะฮะเราเปิดรูปนี้ครับการศึกษาดานอังคารจะพบว่าบนอังคารเนี่ยเคยมีร่องแม่น้ําอยู่นะครับแล้วก็เคยมีการไหลของของน้ําอยู่นะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นร่องแม่น้ําแล้วก็หุ่นคิว i าลิตีซึ่งเป็นรถหุ่นยนต์ก็ไปเจอกรวดนะครับ<อ>กรวดซึ่งมันมนมากและกรวดในลักษณะนี้เนี่ยเราเจอที่เป็นบริเวณเอ่อก้นแม่น้ําซึ่งมันถูกกระเทาะจากแม่น้ําอะไรพวกนี้ นั่นหมายความว่าเดิมทีดังคารเคยมีน้ําอยู่เยอะมากนะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยน้ำมันก็หายไปหมดละอย่างที่เคยเล่าไปในตอนบางตอนผมเคยเล่าแล้วว่ายานมาเวนเนี่ยเขาไปเจอศึกษาชั้นบรรยากาศแล้วเขาก็พบว่าดังคารเนี่ยมันเย็นตัวเร็วเพราะมันเล็กกว่าโลกของเราอะไรที่เย็นเล็กกว่าเนี่ยพื้นที่ผิวมันมันสูญเสียความร้อนได้ง่ายกว่ามันก็เย็นเร็วพอแกนของมันเย็นเร็วมันก็ความเป็นสนามแม่เหล็กมันก็อ่อนตัวลงพอสนามแม่เหล็กอ่อนตัวลง มันก็ไม่ได้ปกป้องชั้นบรรยากาศเอาไว้ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารก็เลยโดนลมสุริยะปัทะเต็มๆแล้วก็หลุดหายไปหมดออพอชั้นบรรยากาศหายออน้ําก็เลยระหยเหยออกไปหมดมนะครับอันนี้เป็นชะตากรรมของดาวอังคารซึ่งซึ่งเผชิญอยู่ในตอนนี้แต่ในปัจจุบันเราเจออีกแล้วว่าบนผิวดาวอังคารก็ยังมีน้ําไหลซึมๆอยู่ให้เห็นอยู่ตามฤ ด, ดูกาลนะครับเป็นน้ำในในรูปน้ําเกลือที่มีสารประกอบละลายอยู่แล้วก็บางบางพื้นที่นะชื่อยูโทเปียพลานิเทีย คือมันเป็นบางโซนของดาวเขาตื้ดตั้งชื่อกันหมดแล้วนะโ oh, อ้โหเหรอรีบรีบจองที่ดินนะครับอีกจุดก็คืออย่างเช่นบริเวณที่มีชื่อว่าย er ูโทเปียพลานิเทียนะครับอ่าตรงนี้เขาก็ตั้งชื่อกันไว้หมดแล้วนะดาวอังคารอืมก็จะมีลึกลงไปเป็นหลายสิบเมตรเนี่ย<ะ>ก็จะมีชั้นน้ําแข็งอยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นทรัพยากรสําคัญที่ในอนาคตถ้าเราไปอยู่จริงเราอาจจะต้องขุดลึกลงไปเพื่อเอาน้ําเหล่านั้นมาใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับดาวอังคารโดยสังเขตในวันนี้ครับ สนใจมากฟังว่าไม่ว่าดาวอังคารเนี่ยจะเป็น เ, ออเรียกว่าเป็นอนณานิคมในอนาคตหรือว่าเป็นแพลน B อของมนุษย์ ได้สำเร็จหรือเปล่าอันนี้เราก็อาจจะบอกไม่ได้แต่ฟังว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราเห็นว่าจากการพยายามที่จะไปสํารวจสิ่งที่มันนอกไปจากโลกหรือว่าในดาวอังคารที่มันมีความท้าทายในการใช้ชีวิตอยู่มันก็ทําให้เราเกิดนวัตรกรรมใหม่หมๆเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะคะใช่ค่ะถ้าใครที่ฟังตอนนี้แล้วอยากไปดาวอังคารนะคะตีตั๋วไปด้วยกันหรือเปล่าลองพิมพ์คอมเมนต์มานะคะก็ใครที่ชมอยู่ทาง YouTube นะคะก็ฝากกดซับสไครป์ยูทูบชาแนลของเดอะสแตน a า d ์ด d อดแคสต์นะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่แล้วก็ มาติดตามรับฟังใดๆในโลกโลนฟิสิกส์นะคะในทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears